ูบกนเหนื่อยไม่บบชุมเลยก็ะดีเป็นการฟังธรรมะสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นของจำเป็นของสำคัญถึงระยะทางห่าง จะแสดงทำเท่านั้นคนที่สิ่นชอบในเรื่องของธรรมก็พยายามดันดดไปไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเพราะอยากจะท <c oughs> ราบเรื่องของธรรมที่ท่านแสดงไปนั้น <c oughs> เพื่อนำมาที่นี้พิจารณาแก้ไขสิเลตัญหาท่านจึงถือว่าเป็นของจำเป็นเป็นของสำคัญ แต่สมัยปัจจุบันพวกเราไม่อย่างนั้นพอเอ่ยธรรมะขึ้นรู้สึกว่างอยเงาเด็ดเหนื่อยเหมือนหิวไม่สาบอะไรต่ออะไรมารบกวนกายใจกายก็ทําให้เด็ดเหนื่อยเหมือนหิวใจก็วุ่นวี่วุ่นวายไม่สบายตรงกันข้ามทางอยู่อยู่ที่เหลี่ยตันหาเรื่องเออเกลือเคหา บ่าบอต่างๆถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิว <c oughs> กลางวันทำการทำงานตลอดวันพอได้ยินเสียงหัระศพครบงานขึ้นริ่งไปดูไปชมกันถึงเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็อุตส่าห์พยายามพอใจมันชอบไกลขนาดไหนก็พยายามไป มันเป็นไปแบบนั้นถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องแสดงในจิตในใจนั้นมันเป็นเรื่องของโลกหรือเป็นเรื่องของธรรมที่หนักหน่วงกว่ากันถ้าหากเรื่องของธรรมก็ควรยินดีในเรื่องธรรมการแสดงธรรมมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสมีจิตใจยิมแยมสดชื่น เพราะการฟั่งทำแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องของทำไม่ค่อยได้เอาใจใส่ไม่ได้ตั้งใจกําหนดที่นิพจน์นาจะ่เรื่องของกิเลสตัณหาชอบยินดีพูดง่า ย, ายก็มแมลงวันหนอนมันชอบขี่นําอบนําหอมของที่มนุษย์เขาชอบกันนั้นมแมลงวันหรือพวกนอนต่างๆ มันไม่ยินดีในจิตของพวกเราท่านถ้าจะเตียบกันแบบนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกันกับมแมลงวันหรือหนอนมันชั่วมันเสียมันไปยินดีในเรื่องต่ำเรื่องตามเรื่องชั่วเรื่องเสียไม่ได้ยินดีในขอ้ขออัดข้อรมแสดงว่าป ก, กติ ก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะพิจารณาสําระใจของตัวใจจริงชั่วจึงเสียอย่างนั้นยินดีเต็มใจเหลื่อมใสศรัท ธ, ธาในเรื่องของกิเลสตัณหาบ้าบอไปในทางนอกแต่เรื่องจะสําระสายสางถือว่าเป็นของเหลือวิสัยเป็นของยากเย็นเขินใจไม่อยากประพฤติปฏิบัติ เมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นความสกกระโ b ของใจก็ไม่มีวันที่จะหลุดลอยออกไปมีแต่จะสกกระปกทับถมเลื่อยไปจนไม่มองเห็นอะไรในเรื่องของอัดของธท ร, ร ม, มีแต่เรื่องของโลกเรื่องของจิเลียนตันหาหนาเนี่ยในจิตในใจเมื่อมันเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายอย่าไปคิดหาเพราะเรื่อง ของโลกอุ่นล้วนมันไม่นำอะไรมาให้นำแต่ทุกมาให้ส่วนสุขสงบเย็นใจอย่าไปถามถึงคนสแสวงหาความสุขในด้านของโลกจึงไม่ค่อยเจอกันเพราะโลกไม่ใช่มีความสุขความสบายที่ไหนมีแต่ความบุนวาย เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคนสแสวงหาความสุขกับโลกก็เหมือนกันกับคนสแสวงหาเหลือดกับปูเพราะปกติปูไม่มีเลือดจะสแสวงหาเท่าไรก็ไม่เคยพบเคยเจอกันแต่อยากจะพบเลือดต้องไปหากับสัตว์อื่นเช่นพวกปลาไหลเป็นต้นเลือดมันมีนี่ผู้สแสวงหาความสุข ความสบายจริงจังก็ต้องมุ่งมั่นสแสวงหาธรรมภายในจิตในใจของตนจึงจะพบจะเห็นจึงจะละจะถอนสิ่งตีของจิตคิด ต, ตรุงต่างๆให้เข้ามาอยู่ในขอบเขตของธรรมเมื่อจิตมีธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยจิตมีความสงบ เย็นภายในเรื่องของโลกเราจะเห็นชัดเจนแจ่มใสว่าทำไม่แต่ก่อนเราจึงไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะเราไม่ได้ที่นิพพิจแลนาจิตยังไม่เห็นธรรมะเลยเห็นกิเลสตัณหาเป็นของดีของวิเศษมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปลุ่มหลงไฟฝันอยู่ในเรื่องเหล่านั้น จึงน้าเนีน่ยตลอดมาพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้จีหมื่นจี่แสนกีล้านพระองค์แต่ปรินิีานไปแล้วมนุษย์ที่ชั่วเสียเลียวไหลไม่มีใจฟักใสในอนัตในธรรมหัวยังคลองจิตอยู่ในโลกเหลือมาฉะนั้นเรื่องพระพุทธเจ้าจึงไม่ขาดระยะองค์นั้นตรัสรู้ผ่านไปแนะนำถ่าสอนสัตว์ที่มีอุปนิสัยพอที่จะ <c oughs> บรรลุทำได้ก็สเสด็จดับขันปรินิีพานไปมนุษย์ที่ยังมืดบอดอยู่ก็อาศัยพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่สันมีความตั้งใจปราถนาเพื่อจะลื้อถอนสัตว์ขนสัตว์ออกจากโลกเป็นระยะระยะเรื่อยๆมาพวกเราที่เกิดมาก็เคยไปสบ พบเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พวกเราท่านเห็นกว่าสักแต่ว่าเห็นไม่ได้สนใจในทำคําสอนที่สันแนสอนให้พวกเราจึงติดข้องอยู่ในโลกเรื่อยมาไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้ปกติสมัยปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปพวกเราเกิดมาไม่ได้พบปะ พระองค์ท่านแต่ถึงกันนั้นทำดวในที่พระพุทธเจ้าทรงแน้สอนเอาไว้ท่านก็ถือว่าเป็นาศาสต า, าแทนพระองค์เพราะทำดวในนั้นบ่งบอกไว้หมดสิ่งที่ชั่วเสียควรละอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าทางกายทาทางวาจาพูดทางจิตคิดท่านถือว่าเป็นกรรมเป็นอกุศล สิ่งที่ชั่วเสียต่างๆสิ่งที่ดีมีคุณค่าสาระเจรกายแก่จวาจาแกจใจท่านกวาสอนให้บำเพ็ญท่านถือว่าเป็นกุศลไม่เลกแต่กุศลเหมือน <c oughs> ทางชั่วนี่ก็ยังมีเต็มอยู่ในาำรับตำราไม่ใช่ว่ามันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่เมื่อเราอ่านเราศึกษากว็วกเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจของเราทั้งนั้นทำแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่ได้สอนคนอื่นสอนเราคนเดียวที่ควรละก็เพราะว่าจิตใจของเรายังของติดในกิเลสตัณหาในทางชั่วทางเสียยังไม่สะอาดพอจึงต้องชำระจึงต้องซักฟอก จึงต้องขะทำความสะอาดการสะอาดพอเพื่อจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นจีเลตตัญหาเสือกแฝงภายในทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับไล่ออกไปไม่มีอะไรที่จะไปติดไปคล้องไปยึดไปถืออีกถ้าเป็นอย่างนั้นทำคําสอนของผู้ใจเจ้าท่านที่บัญญัติเอาไว้ ก็ไม่จาเป็นอะไรเพราะความบริสุทธิ์ของใจเรามีแล้วนี่เราทั้งทั้ง ท, งที่อดอยากเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยหิวแต่ไม่อยากพักผ่อนอดอยากลำบากขนาดไหนแต่ไม่อยากรับทานเมื่อมันเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายจะได้มาจากที่ไหนความอิ่มหนำสาราญจะได้มาจากที่ไหนคนที่เหน็ดเหนื่อย เท่าไรยิ่งวิ่งยิ่งทำงานไม่มีการพักผ่อนแล้วคนนั้นก็ไม่มีวันที่จะสบายได้ยิ่งเหน็ด ย, ยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปเพราะการเหน็ดเหนื่อยอยากจะให้มันหายต้อเพาะการพักผ่อนทำไมพักผ่อนเพียงแต่บนอยากให้ความเหนื่อยมันหาย แต่งานทำอยู่ทุกระยะทุกเวลามันก็ไม่มีวันที่จะหายได้ความเหน็่เหนื่อยเมื่อยหิวความหิวก็เหมือนกันต้องอาศัยการรับทานมันถึงจะหายไปได้เพราะอิ่มเกิดขึ้นหิวมันก็หายไปไม่อิ่มเมื่อไรมันก็หิวอยู่เมื่อนั้นมีการประพฤติปฏิบัติ ตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าท่านก็ทำนองเดียวกันจำเป็นที่สุดที่พวกเรายังมีกิเลสตัณหายังละถอนไม่ออกจะต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมิใชื่ว่าอยู่ๆกว่าจะให้กิเลสตัณหามันหลุดลอยออกไปตกออกไปโดยไม่ได้ทาอะไรไม่ได้พิจารณาอะไรสติปัญญาได้ยินแต่ในตำลับตาเท่านั้น ในตัวของตัวเองไม่มีหม่ว่าจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนปราศจากสติคิดไปอะไรไม่ทราบชั่วเสียอย่างไรไม่คำนึงคำนวณคนแบบนั้นถึงจะเป็นพระเป็นเนรอยู่ในสาานที่ <c oughs> สงบต ง, งัดริเวก ข, ขนาดไหนใจมันกไม่เป็นไปให้ถ้าหากคนมีสติ มีปัญญาเนี่ยสอนใจของตัวอยู่สถานที่ใดเหมาะสมแล้วตั้งหน้าตั้งตาประกอบภาวนาละกิเลสจะเดินไปบินทบาทกดสังวรระวังจิตใจของเราระยะที่อยู่ศาลาเราได้คิดภาวนาอะไรจากศาลาไปกว่าจะไปถึงบ้านจิตมันวกคิดอะไรที่ผิดแปกแตก ต, ต่างจากทำวินัยไหม ไปถึงบ้านรอบบ้านออกมาจิตใจของเรายังคงเสื่อคงวางหรือมันไปคิดปรุงอะไรอีกเดี๋ยวต้องรักษาอยู่อย่างนั้นเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญจิตเป็นของมีคุณค่าหากเราไม่รักษาปล่อยปละละเลยมันก็ไม่มีวันจิตจะดีจะวิเศษให้แล้วก็มาบ่นกันบาปประพฤตรริทำดีในมาเท่านั้นทรรษาเท่านั้นปี ไม่มีอะไรดีอะไรพิเศษขึ้นก็เพราะปล่อยสติปล่อยปัญญาไม่ได้รักษาจิตใจของตัวมันอยากจะคิดจะปรุงยุ่งเกี่ยวกับอะไรก็ปล่อยมันไปตามเรื่องเมื่อมันไปตามเรื่องอย่างนั้นโทษทุกข์ที่มันมาให้แก่ตัวของตัวเป็นอย่างไร <c oughs> มันก็ทราบถ้าหากพิจารณาดูมันไม่มีอะไร ที่จะไม่ทราบมันมีอะไรที่จะปิดบ้างกิเลศตัญหาที่ยังมีอยู่มันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นยิ่งเทวีคูณขึ้นไปเพราะเมื่อมันไม่ตายไม่ว่าของที่มีชีวิตหรือของที่หาชีวิตไม่ได้เช่นต้นไม้ไมหญ้าต่างๆหากปล่อยไว้นานๆมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ นี่ีจเลตันหาขอทําลองเดียวกันถ้าเราเหม่สําราศาสางปล่อยมันไว้มันค่อยใหญ่ค่อยโตขึ้นเรื่อยเมื่อมันใหญ่โตขึ้นเท่าไรมันกว่านําทุกนำภัยมาให้เท่านั้นแต่นั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้สําราศาสางโอกาสเวลาที่จะสําราศาสางไม่มีเหตอื่น พวกอื่นที่จะมีโอกาสเวลามากเท่ากับพวกนักบวชนักปฏิบัติเพราะการงานด้านอื่นไม่ค่อยมีสถานที่ก็เหมาะสมถ้าเป็นคาราวาหยาดโยมการงานด้านอื่นมันมากหามาใส่ปากใส่ท้องหามานุ่งมาหมหามาอยู่มาอาศัย ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครเรื่อมใสเต็มใจมีศรัทธาที่จะเสียสละให้เพราะเพศของคลาวาดเป็นเพศที่ต่ำซามนินัตเพศคือเพศหยาบส่วนเพศของนักบวชนั้นถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติไม่ผิดศีลของตัว่านั้น ยังว่าวุ่นวอกแวกกับอารมณ์สัญญาภายนอกแต่ศีลจ่รักษาเอาไว้ไม่เสียไปเพียงเท่านี้ก็มีอา น, นิสงส์มีคนสรรเสริญชมเชยเสียสละเ ข, าข้าควาเงินทองทสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัจจัยสีให้ เพราะเขาเรื่มใสสศรัท ธ, ธาการงานของพระของนักปฏิบัติมีการงานภายในคือมีสติรักษามีปัญญาสอนใจของตัวเมื่อเรารักษาตั้งหน้าปฏิบัติสถานที่สงบสงัดอยู่ทุกอิริยาบถเวื่อแต่นอนหลับเท่านั้นตื่นมาก่าพิจนา อาทำต่อทำไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยความเห็นความเป็นของจิตของใจมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราจะทราบแต่จะไปเร่งว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเห็นอย่างนี้ขอให้บำรุงสติปัญญาอยากให้มันปีกแวะออกไปจากหลักของธรรมะตั้งหน้า ประความรักษาจะพิจารณาอะไรตั้งใจพิจารณาในสิ่งนั้นนั้นจนจิตสงบจากความยึดถือจิตข้องต่างๆเบื้องต้นก็เคยสอนคนที่ยังไม่เคยสงบสอนในทางบริกรรมสอนในทางกำหนดลมหายใจ เพื่อจะให้จิตใจของตัวสัมผัสรับรู้อยู่กับคำบริกรรมหรือลมนั่นนั้นมาให้ปุ้งคิดติดขวางไปสู่ข้างนอก บ, บังคับบัญชาให้จิตของตัวอยู่ในคำบริกรรมหรือลมที่ออกเข้าจิตจะรวมลงจะสงบได้เมื่อจิตรวมลงสงบได้ ความเย็นความสบายที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในจิตของตนโดยไม่ต้องว่าอันนี้เป็นธานิกะอุปจาระหรืออภปนาไม่ต้องไปไฝ่ฝันไม่ต้องไปไต่ถามหามันเป็นอะไรที่สงบลงไปนั้นทุกท่านจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในตัวของตัวเองเมื่อมันรู้มันเข้าใจ ความสงบความสบายความสุขที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมันก็เกิดศรัทธาอยากแสบเพื่อปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทาต่อไปถ้ามันสงบได้อยู่บ่อยๆแล้วก็มาพิจารณาเมื่อเวลามันถอนออกมาพิจารณาได้แต่ให้พิจารณาในขอบเขตของธรรมอยา่าไปพิจารณาเรื่องที่เป็นโลก อย่าไปชี้แจนะเรื่องให้มันเกิดกิเลสตัณหารักษาจิตของตัวเอาไว้อย่าให้มันไปในทางผิดนี่คือผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกความสุขหรือความลากถอนมันจะเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติผิดมันก็ไม่มีโอกาสเวลาความสงบสงัดจะเกิดขึ้น มีตังเต่ใจยุ่งจะปรุงจะคิดจจนึกอยากอันนั้นอยากอันนี้อยู่ดีๆในวัดในวามันก็ไม่ปราชนามันชอบท่องเที่ยวเจกะละลานไปตามหมู่บ้านต่างๆกายไม่ได้ตปขโมยเขาไม่ได้ไปทำชั่วทำเสียอะไรใจใจมันไป เป็นโจรเป็นมารเขียวทองเขี่ยวไปทุกขนทุกแห่งผู้หญิงก็ทองเขียวไปในเขตสีตรงกันข้ามปรุงคิดในเรื่องกิเลสตัณหาในกามอารมณ์ต่างๆผู้ชายที่เป็นนักบวชฝ่ายชายก็เหมือนกันกายอยู่วัดแต่ใจมันไปอยู่บ้าน ไปเที่ยวไปดูไปจุบไปชมเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆแล้วก็เพิดเพินไม่ได้คิดว่าจิตที่มันไปแบบนี้มันเป็นทางที่ชั่วที่เสียไม่ใช่ทางที่จะละจะถอนกิเลสตัณหาไม่มีส ต, ติไม่มีปัญญา รู้สึกตัวสอนตัวปล่อยไว้ให้มันไปจนมันเหนื่อยหมดกำลังแล้วกลับมาก็เชือว่าเราได้เดินจงกรมเราได้ภาวนาแถา น, นั้นนาทีแถา น, นี้นาทีแถา น, นั้นชั่วโมงแต่ความจริงจิตไม่ได้อยู่ในวงของอัดของทำเลยเมื่อมันไม่ได้อยู่ในวงของอัดของทำ ม, มันก็สงบไปได้เย็นไม่ได้ ละไม่ได้ถอนไม่ออกนี่จะจิตคล้องยุ่งเกี่ยวเรื่อยไปเมื่อมันมีกำลังมากมันกาสามารถที่จะทำผ่าหนุ่งผ่าห่มสะบงจีวรให้หลุดไปได้เพราะเราไม่รักษาปล่อยให้มันไปตามสัญญาอารม <c oughs> โดยไม่ได้คำนึงคำนวณถึงว่ามันเป็นทำหรือผิดทำฉะนั้นนักบวช ที่อยู่ในวัดในวาในศาสนาไม่ได้ก็เพราะอาศัยจิตใจของเขานั้นไม่ได้อยู่ในวงของอักของธรรมมีแต่ฟุง้งฟูงยึดเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาอยู่ตลอดมาแล้วก็ว่าใจไม่สงบใจไม่สบายมันจะสงบจะสบายอย่างไรฮะไม่เดียวมาหัวเป็นเดียวเรื่อ ย, อยมันสงบไม่ได้มันสบายไม่เป็นเพราะ ไม่ได้เอาอาัดเอาทำมาเนียสอนมันมีแต่เอาเรื่องของโลกมาอยู่วายุให้มันฝุ่งมันปรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันจึงสงบไม่ได้หาความสุขความสบายไห่มีทั้งทั้ ง, ท, งที่ไม่มีโรคไครไข่เจ็บอะไรที่อยู่ก็แสนสุขแสนสบายกติแต่ละหลังอยู่องค์เดียว ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวเวลานอนก็ไม่มีใครมาล้องให้รบกวนล้วจิตที่จะนึกคิดไปเรื่องนอกๆหากเรารักษาได้มันแสนสบายตาก็ไม่ได้ดูสิ่งที่อยู่อวิหูก็ไม่ได้ฟังเสียงต่างๆที่จะให้จิตใจวันไหว หากเรารักษาใจของเรานะถ้ า, าเราไม่รักษาใจของเราถึงอยู่ในตาในเขาในถ้ำลึกขนาดไหนแต่ใจมันก็เหมือนกันกับว่าอยู่ในบ้านในเมืองท่องเสี่ยวยุ่มเกี่ยวกับรูปเสียงไม่ขาดระยะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่สงบให้ไม่สบายให้เมื่อมันไม่สงบไม่สบายในที อยู่ที่อาศัยมันก็วิ่งไปตามสัญญาอารมณ์ทนไม่ไหวก็ไปตามเรื่องเมื่อไปจริงจังแล้วมันจริงจะทราบความทุกข์ความลําบากความอยากยุ่งของวิเลสตันหาของเพจคาวาานั้นมันขนาดไหนมันจะทราบมันจะเข้าใจพอมันไปเห็น ในตัวของมันเองเวลามันหิวอะไรมันก็เห็นว่าเป็นของดิบของดีอร่อยอร่อยหมดแต่เมื่อเวลามันอิม่มมันเบื่อมันก็หยิกหละของี่เคยๆ อ, อร่อยมันก็ไม่อยากมีเรื่องของจิตเรากว่าทำนองเดียวกันมันแสนที่ปิ้นป้อนเอาเนี่นอนอะไรไม่ได้ เราไม่ได้เฝ้าดูจิตไม่ได้คิดอาจทำจิตที่มันเป็นไปอยู่ทุกระยะทุกเวลากับกรอกหลอกหลอนให้เราได้เกิดทุกเกิดโทษเราก็เลยไม่เห็นโทษเห็นทุก <c oughs> จากความปรุงความคิดในจิตในใจถ้าหากใครสั้งวนระวังจับผิดเรื่องของจิตอยู่เรื่อยแวบออกไป <c oughs> ในทางชั่วทางเสีย รีบดึงเข้ามาด้วยสติแนะสอนด้วยปัญญาคนนั้นแหละปฏิบัติจะก้าวหน้าจิตไม่เคยสงบก็จะสงบจิตไม่เคยเห็นภัยก็จะเห็นภยัยความสว่างสวัยความเย็นใจจะเกิดขึ้นเพราะประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามอาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าหาก ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รักษาจิตของตัวจะเป็นเพศของฆราวา์ก่อตามเพศของภิกษุสามนเณรนักปฏิบัติก่อตามกอเพียงแต่เพศเท่านั้นไม่มีอะไรแปลกอัศจรรย์เมื่อตัวไม่สนใจในตัวคนอื่นเขาก็ไม่สนใจในเราอีกเหมือนกันพอตัวของตัวก็ไม่สนใจในตัวแล้วไม่เลื่อมใสตัวของตัวแล้วคนอื่นเขาจะมีความเลื่อมใสมาจากที่ไหน ฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะเป็นบรมครูของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกท่านสนพระไทยในท่านก่อนต่างหน้าต่างตาแน้สอนฝึกปฏิบัติตัวของท่านจนไม่มีอะไรที่จะตันี่ไม่มีอะไรที่จะละที่จะบําเพ็ญอีกบริสุทธิ์ผุกผ่องตลอดการตลอดเวลาจิตใจที่เคย มีกิเลสตัณหาแต่เก่าก่อนเคยคิดปรุงดุงเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาต่างๆนานาตกไปหมดหลุดไปหมดแล้วความสงบความเย็นใจของท่านเป็นอย่างไรพระองค์ท่านเห็นในพระทยของพระองค์เองจนนั่งเจ็ดวันเจ็คืนเดินเจ็ดวันเจ็คืนยืนเจ็ดวันเจ็ดคืนได้เพราะจิตใจ สว่างสบายจิตใจเบาสบายจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกยกับเรื่องของโลกในพุท ธ, ธประวัติเมื่อตัดสรู้ใหม่ๆ่ตั้งสี่สิบเก้าวันที่ท่านไม่ได้หลับได้นอนมีแต่นั่งมีแต่เดินมีแต่ยืนเปลี่ยนอิริยาบถกันไปอยู่อย่างนั้นจิตใจของท่าน เฉลวยมติสุขคือความสุขที่เลิศประเสริฐซึ่ไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนความหนียวหวยเหน็ดเหนื่อยมันไม่มีในพวกเราท่านมันไม่เคยเห็นเคยเป็นอย่างนั้นเคยเห็นความสุขตั้งแต่เรื่องของโลกเหมือนกันกับเป็ดบ้านนอกเป็ดอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลาจาก แม่น้ำลำคลองมันไม่เคยเห็นน้ำห้วยน้ำหนองสมุทรทะเลมันเห็นแต่น้ำในกลางบ้านฝนตกมาในาทราบว่าขี่หมูขี่มาขี่วัวขี่ควายมันไหลมาถึงจะขุนข้นขนาดไหนมันก็เล่นน้ำตามไต่ถุนสิเขาล่างถ้วยล่างตามตกลงไปมันเล่นมันเชิญอยู่นั่นน่ะมันถือว่ามันสนุกสนานพอ มันใสพอมันสะอาดพอมันยินดีอาบยินดีเล่นเพราะมันไม่เห็นน้ำที่สะอาดน้ำที่ใสมันเคยเห็นแต่เพียงแข่นั้นมีเป็ดปกติของมันชอบน้ำจะสบกระปกขนาดไหนมันก็เล่นก็เต็มใจเล่นแต่พวกหงหรอ มันไม่เคยมาเล่นในกลางบ้านนะคุณน้ำข้นมันไม่เคยมาลงมาเกี่ยวนี่จิตใจของพระอริยเจ้าั่วไปกว่าธรนองเดียวกันท่านเห็นอัตธรรมที่บริรสุทธ์ผ่องใสท่านจึงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกเหมือนพญาหงเห็นน้ำตะมุดทะเลน้ำบึงหนองที่ใสสะอาด ไม่สามารถที่จะมาเล่นน้าในต่างบ้านที่คุณที่สกรปรกพวกเราทุกคน <c oughs> มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติบิดามานดาคนา ญ, ญาถือว่าเรามาบวชคือมาเว้นจากความชั่วเสียต่างๆเขาที่ไม่ได้เห็น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 ท่านมีอาจมีทำไปจำกายรายายใ จ, ใจแต่พวกเราโดยตรวจตาพิจารณาไหมดิดามันดายอมเสียสละยังดูผูปกมาอยากเย็นเข็นใจมีอะไรก็ควนขวายหามาให้ไม่มีก็เกี่ยวยืมคนอื่น